ถึงเวลาไปของข้าพระองค์แล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือธรรมาภิร์พระองค์ดำริว่าจักให้พระสารีบุตรแสดงฤทธิ์แล้วจักแล้วจึงลุกจากธรรมาภิรม์พระองค์ก็เสด็จบ่ายพระพักไปยังพระคันธกุตีแล้วประทับยืนบนบัลลังก์แก้วมณีฝ่ายพระเถระกระทำประทักษิณเวียนสามครั้งถวายบังคมในที่สี่แห่งแปลว่ากราบสี่ทิศกราบข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาและข้างหลังพระพุทธเจ้า กราบพระพุทธเจ้าสี่แห่งด้วยกันเสร็จแล้วก็กราบทูลว่าเหนือจากนี้ไปหรือถอยหลังจากนี้ไปนับได้หนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับข้าพระองค์นั้นมอบอยู่แทบเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมุมัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาจะพบพระองค์นะตั้งความปรารถนามาเพื่อจะมากราบเท้าพระองค์เนี่ยนะอย่างนี้ตั้งความปรารถนามาหนึ่งอสงไขยแสนกับ ความปรารถนานั้นของข้าพระองค์สาเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วนั่นเป็นการเห็นครั้งแรกตอนที่เห็นอริยสัตว์ตรัสรู้ตามนะนะแต่ว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการเห็นพระองค์อีกไม่ได้พบปะเจอเจอกันอีกแล้วนะนะแล้วก็ประคองอัญเชิญรุ่งเรืองที่ประชุมด้วยท่าสาระขาสโมโภธทางเราประชุมเล็บประชุมเล็บประชุมนิ้วสิบนิ้ว กลับบายหน้าไปจนพ้นทัศนวิสัยกล่าวว่าตั้งแต่บัดนี้ไปขึ้นชื่อว่าการไปการมาในฐานะไรๆด้วยอำนาจการจุติปฏิสนธิไม่มีเสร็จแล้วก็ถวายบังคมลาอันนั้นการมามามาเกิดอีกแล้วก็ไปไปด้วยจุติแบบนี้ต่อไปไม่มีแล้วพอพระสารีบุตรกราบบังคมลาเสร็จมหาปฏิพีก็หวั่นไหวจนถึงน้ํารองแผ่นดิน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับเหล่าภิกษุผู้ยืนล้อมอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปส่งพี่ชายของพวกเธอเถิดภิกษุทั้งหลายก็พากันไปจนถึงสมประตูซนสมประตูพระเชตวันน่ะนะพระเถระก็กล่าวว่าหยุดเถิดผู้มีอายุพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะอย่าประมาทนะ คำว่าไม่ประมาทก็คือเจริญศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลศีลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์เจริญสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเจริญสมาธิรักษาสมาธิทำสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์งอกงามยิ่งขึ้นนะเจริญปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษาปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามบริบูรณ์ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท แล้วก็ให้พิสูจนเหล่านั้นกลับไปตนเองก็ไปพร้อมกับบริษัทเนี่ยนะบริวารประมาณห้าร้อยฝ่ายพวกผู้คนชาวบ้านทั้งหลายก็พากันติดตามร่ําให้รําพันว่าแต่ก่อนพระผู้เป็นเจ้าจารึกไปแล้วก็กลับมาแต่ครั้งนี้เป็นการไปไปรับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเนี่ยนะเป็นการไปแบบไม่กลับพระเถระก็กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านอย่าประมาทสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วนะนะเป็นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ให้ผู้คนเหล่านั้นกลับไปครั้งนั้นภาษารีบุตรผู้อ่านนะอนุเคราะห์ผู้คนตลอดเจ็ดวันในระหว่างหนทางแล้วว่าเดินทางเจ็ดวันถึงนาละตกะคามในเวลาเยน็นแล้วก็หยุดพักอยู่ที่โคนต้นไทรใกล้ประตูบ้านเดินทางเจ็ดวันนี้ก็เอาเรื่องเหมนกันนะจากเฉตวันหรือสาวัถีมาที่ เพราะมันต้องผ่านราชจะคลึกมาจะถึงมานารันทานเนี่ยนะมานาร ก, กะครั้งนั้นหลานชายของพระเถระชั่ว อ, อุปเรวัตะก็ออกไปนอกบ้านไปพบพระเถระเข้าไปหาพระเถระแล้วไหว้แล้วก็ยืนอยู่พระเถระก็พูดกับหลานชายว่าญาของเจ้าอยู่ในเรือนหรือหลานชายก็ตอบว่าขอรับกับผมพระเถระก็บอกว่าเจ้าจงไปบอกว่าเรามาที่นี้แล้วทีนี้เมื่อญาถามเออเขาก็ถามว่า ถ้าหากว่าย่าถามว่าเพราะเหตุไรเจ้าก็จงบอกย่าว่าได้ยินว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะพระเทระจจะพักอยู่ในบ้านนี้วันเดียวจะขอนอนคืนเดียวในบ้านนี่แหละแต่ก็ต้องจัดห้องนอนน้อยที่เกิดแล้วก็จัดที่อยู่สำหรับภิกษุอีกห้าร้อยรูปเนี่ยแนะสดงว่าบ้านใหญ่มากเลยนะจะได้ให้แขกพักได้ห้าร้อยเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฝ่ายหลานหลานพระสารีบุตรก็ไปบอกว่าย่า นะคุณลุงชั้นมาแล้วย่าก็ถามว่าเดี๋ยวเนี้ยคุณลุงอยู่ไหนล่ะบอกอยู่ใกล้ประตูบ้านก็ถามว่ามาองค์เดียวหรือว่าภิกษุอื่นมาด้วยหลานก็บอกว่ามีภิกษุมาด้วยห้าร้อยรูปย่าก็ถามว่ามาทําไม น, นะย่านี่ยนะคนไม่มีศรัทธานะคนไม่มีศรัทธาบอกโอ้ดีใจลูกมาแบบไม่บอ ก, ม, บอกมาทําไมกันองนั้นหลานก็บอกเรื่องนั้นให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขาจะอยากจะมาข อ, อนอนอยู่ห้องน้อยคืนหนึ่งแือนั้น นางพรามณีก็คิดภาษาคนไม่ได้ศึกษาคำสอนบอกว่าทำไมเนอะจึงต้องสั่งให้จัดสถานที่อยู่สำหรับพิสูจถึงห้าโยอุย้ยมากันทำไมเยอะแยะตั้งห้าโรยเขาเนี่ยนะบวชเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสงสัยอยากจะศึกในตอนแก่มั้งเพราะฉะนั้นจึงให้จัดห้องที่เกิดแต่ก็ไม่ขัดนะเาไม่ขัดลูกอะไรนะแล้วก็แล้วแต่ลูกนะแต่ว่าไม่ชอบหรอกแต่ว่าความที่รักลูกนะก็แล้วแต่ลูกเธอ วระจัดที่อยู่ให้พระพิสุประมาณห้ารอรูปเสร็จแล้วก็ตามประทีปจุดประทีปนะประทีปน้ำมันไว้สําหรับพระเถระตอนรับพระเถระพระเถระกับพิสุทั้งหลายก็ขึ้นไปยังปราศาสต์เข้าไปสู่ห้องที่เกิดแล้วก็นั่งท้นแล้วก็ส่งพิสุทั้งหลายไปด้วยกล่าวว่าท่านจงไปยังที่อยู่ของพวกท่านเถิด ภิกษุเหล่านั้นไปแล้วอาพาธก็ได้เกิดขึ้นแก่พระเถระพระเถระภาษาลิบตรก็ป่วยมากเลยนะความเจ็บปวดก็กำเริบขึ้นโรคล่งโลหิตหมายถางว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นเวทนาใกล้ตายภาชนะหนึ่งรองภาชนะหนึ่งชักออกคือว่าโอ้โหคืว่าทั้งอาเจียนทั้งเลือดออกมาเลยแหละงนั้นนางพรามณีก็คิดว่าความเป็นไปแห่งลูกของเราเนี่ย ไม่เป็นที่ชอบใจของเราอะนะแม่ที่ไหนเนาะจะเห็นจะมีความสุขที่ลูกเป็นอย่างนั้นอ่ะนะก็ยืนพิงประตูอยู่ที่ห้องของตนหลายคนในีอกถ้าเห็นลูกเป็นอย่างนี้จะทําใจยังไงมาทำใจยากเหมอนนะต่อจากนั้นมาเท้ามหาราชทั้งสี่นะเช้าจาตุ ม, มหาราชทั้งสีก็ตรวจดูว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าบัดนีพ้พระเถระเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่ปรินิพานในห้องน้อยที่เกิดในนาละกาม ท้าวมหาราชก็คิดว่าจะไปดูท่านเป็นปัชิมะทัศนะจะไปพบท่านขอเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายปัชิมะเนี่ยสุดท้ายเหมือนั้นทัศนการเห็นขอดูขอพบขอเห็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พากันมายืนไหว้พระเถระก็ถามว่าท่านเป็นใครท้าวมหาราชก็บอกว่าพวกเราเป็นท้าวมหาราชเจ้าข้าพระสารีบุตรก็ถามว่าทําไมมาทําไมก็บอกมาเป็นขีฬานุปถัมภ์ จะมาขออุปถากต์ว่างั้นจะมาขอบำรุงขอดูแลขอรักษาพระเถรัก็ส่งไปว่าช่างเถิดคีฬานุปถาก ค, คนที่อุปถากเราเนี่ยมีอยู่แล้วไปเถอะกลับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงว่นงั้นเท้ามหาราชไปแล้วเท้าสักกะก็จอมเทพก็มาโด ย, น, ยนิยะเหมือนกันก็มาจะมาขออุปถากต์พระสารีบุตรบอกไม่ต้องรอกพอเท้าสั ก, กไปแล้วเท้าสุยามเหมือนะท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมเท้าสวัสดีก็มากัน ตลอดจนถึงมหาพรหมก็ผ่ากันมาพระเถระก็ให้เทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยกลับไปฝ่ายนางพรามณีเนี่ยนะพอเห็นพวกเทวดามาและไปก็คิดว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเป็นใครหนอจึงมาไหว้แล้วไหว้อีกมากราบแล้วกราบอีกซึ่งบุตรของเราแล้วก็จากไปแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ห้องของพระเถระถามว่าเป็นอย่างไรพ่อจุนท้านนพะพระมหาพระมหาจุนท้าเถระก็บอกเรื่องนั้นให้ฟัง พระหมหาจุนทาก็ไปเรียนพระสารีบดีว่ามหาอุบาสิกามาขอรับพระเถระก็ถามว่าทําไมจึงมาผิดเวลาเนี่ยนะทำไมมาผิดเวลาล่ะนางพราหมณีก็ตอบว่าจะมาเยี่ยมลูกเอ่อมาเยี่ยมเจ้าสิลูกก็ถามว่าพวกใครเนี่ยมาก่อนแม่ก็ถือโอกาสถามเลยนะพอลูกตอบว่ามาเยี่ยมนะก็ให้โอกาสเสร็จแล้วแม่ก็เลยถามว่าแล้วใครที่มาคนแรกล่ะพระเถระก็บอกเท้ามหาราชทั้งสี่อุบาสิกา นางพรามณีก็ถามว่าพ่อเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้ง4องค์อีกหรืออุบาสิกะก็พระเถระตอบว่าเท้ามหาราชนั้นก็เป็นเหมือนคนวัดนั่นแหละตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะถือปฏิสนธิในครันของพระพุทธมารดาเท้ามหาราชนี่ก็ถือดาบมาคอยอร า, ายอรักขาแล้วเนี่ยนะอารักขาทั้งแต่อยู่ในคันเพราะฉะนั้นก็เหมือนคนงานวัดนั่นแหละเหมือนทหารยามนี่แหละ ทีนี้ทาแม่ก็ท้ามต่อไปว่าลูกเท้ามหาราชเหล่านั้นกลับไปแล้วแล้วใครมาอีกล่ะก็ะบอกว่าเท้าสักกะจอมเทพนะนะโอ้เจ้านี้ใหญ่กว่าเท้าสักกะอีกหรือเจ้าเท้าสักกะจึงมากราบเจ้าอุบาสิกาเท้าสักกะนั้นก็เหมือนกับสามเณรถือของเมื่อภาษาสดา ข, ของเราเนี่ยลงจากสวรรค์ชั้นดาววดึงก็ถือบาทและจีวรลงมาภาษารีบท์ไม่พูดเรื่องของตัวเองเลยนะพูดแต่เรื่องพระพุทธเจ้าตลอดอ้างแต่พระพุทธเจ้าตลอด เพราะว่าเขารู้ว่าแม่ของตัวเนี่ยจะบรรลุด้วยการแสดงพุทธคุณเนี่ยนะเมื่อฟังพุทธคุณคาถาแล้วจะบรรลุเพราะฉะนั้นก็จ ะ, ะถามเรื่องอะไรก็ดึงลงไปหาพระพุทธเจ้าหมดอ่ะจะไม่บอกว่าเออท่านนี้ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้ายังไงจะไม่พูดพูดแต่บอกว่าเนี่ยตอนที่พระองค์ลงจากดาวดึงนะพระเท้าวสักกะก็เหมือนกับสัมมาเนถือของเนี่ยนะก็คือถ้าเป็นตอนที่พระองค์ประชวรเนี่ยนะที่เวลุวะเวลุวะขามเนี่ย ตอนที่ป่วยในพรรษาเนี่ยที่พระองค์อาภาษหนักที่จริงก็กระทนหนึ่งกระทนหนึ่งเข้ากระท น, ห น, ะนหนึ่งออกเหมือนกันเท้าสักตะนะัมาอุปถัทธ์ตอนนั้นแต่ว่าเรื่องก็ใ น, ในในนี้ไม่ได้ยกมากล่าวเล่าละเอียดนะนะถามว่าเมื่อเท้าสักกะเสด็จกลับไปแล้วแล้วใครสว่างเจ้า ม, มาละลูกนะนะคือในที่สุดเนี่ยนะก็ไล่ไปเทวดาตามลําดับชั้นแล้วพระองค์ก็พระสารีบดีก็บอกแม่ว่าอุบาสิกาผู้นั้นชื่อว่าเท้ามหาพรหมเป็นพรหมชั้นสุดทาวาธ เป็นทั้งผู้มีบุญคุณเป็นทั้งครูของแม่เจ้าอันนี้คราวนี้เอามาแบบมหาพรหมสุดยอดเลยนะเท้าพรหมชั้นสุดทาวาสแม่พระสารีบดกระถามต่อไปว่าเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมอีกหรือจ้าอุบาสิกาได้ยินว่าในวันที่พระาศาสดาของเราประสูตธเท้ามหาพรหมทั้งสี่ชื่อว่าใช้ตะข่ายทองเนี่ยมารับพระมหาบุรุษตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูธนะจาได้ไหมว่า พรหมนี่รับก่อนพรหมรับเสร็จก็ส่งให้เทวดาเทวดาเสร็จรับเสร็จมนุษย์ก็รับต่อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเท้ามหาพรหมเนี่ยใช้ขายทองมารับทรามหาบุรุษรึ่งก็ไม่ได้เล่าให้บอกว่าเท้ามหาพรหมเป็นต้นเหล่านี้ก็ยังมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยนะยังไม่ได้กล่าวให้หมดนะนะครั้งนั้นเมื่อนางพรามมาีคิดว่าบุตรของเรายังมีอนุภาพถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของบุตรของเราเนี่ย จักมีอนุภาพสักเพียงไหนเนาะันก็นางพอฟังแล้ว โ, โขนาดลูกของเรานะทั้งเทวดาชั้นต่างๆก็มากราบมาไหวมาขออุปถัมภ์ทั้งเท้ามาหาพรหมตามลำดับนั้นก็มากันหมดแล้วก็ โ, โหนี่ในขนาดลูกเสร็์นะแล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนเนาะ พอคิดถึงพุทธคุณตามเออโหยิ่งใหญ่จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะนะเป็นยิ่งใหญ่เหนือโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกกันนะคิดก็เลยปีติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะแต่นี้ก็ไม่เคยไ ม, ไม่ไม่ได้ทราบว่านางเคยเห็นพระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่อ่ะนะแต่ว่านางนี่มีปีติมาพอคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระเถระก็คิดว่ามารดา ข, ของเราเนี่ยเกิดปีติสมานัตบัดนี้เป็นเวลาเหมาะที่เราจะแสดงคำก็เลยคิดว่า จะคิดไปทำไมมหาอุบาสิกาหรือว่านางพรามณีก็กล่าวว่าคือคือภาษาริบุตรถามว่าคิดเรื่องอะไรมหาอุบาสิกานางก็บอกว่าบุตรของเรานะมีคุณถึงเพียงนี้มีความสามารถขนาดนี้พระศาสดาผู้เป็นบุตรของเราเนี่ยนะจะมีพระคุณมากสักเพียงไหนหนออย่างนี้แล้วแม่ก็เลยคิดอย่างนี้นะลูกภาษาริบุตรก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา สมัยที่พระาศาสดาของเราประสูตรสมัยที่ออกมหาพิเนศกรมสมัยที่พระองค์ตรัสรู้สมัยที่พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรหมื่นโลกกาธาตก็วันไหวอันนี้ก็เป็นการพูดถึงพุทธคุณว่าอนุภาพของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนขณะที่พระองค์เนี่ยนะปฏิจุติเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิปตปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาบับดนั้นสมัยนั้น หมื่นโลกธาตุก็มีแสงสแสงสว่างอันโอฬารล่วงเทวานุภาพสว่างถึงโลกันตนรกแล้วก็หมื่นโลกธาตุนั้นก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ประสูตจากพกระคันพุทธมารดาก็เหมือนกันตอนที่พระองค์ออกมหาพิเนสกรมออกบวชแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจตรตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักหมื่นโล ก, กธาตุก็หวั่นไหว แม้กระทั่งแสดงธรรมเทศนาตามที่ต่างๆอื่นอีกแผ่นดินก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าผู้ใดจะเสมอพระองค์ด้วยศีลเป็นไม่มีนะไม่มีผู้ใดจะสมบูรณ์ด้วยศีลเพราะพระองค์ได้สามารถปฏิบัติเจริญศีลรักษาศีลโดยที่ไม่มีต้องไม่ต้องมีใครสอนแล้วศีลของพระองค์พระองค์ก็ยังบัญญัติศีลบัญญัติเป็นปาติโมกขสังวนอินรียสังวนปัจจะยาสันนิสิตินิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีล พระองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์ในเรื่องของสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิสมาบัติต่างๆไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในเรื่องของปัญญาเนี่ยนะปัญญาต่างๆเช่นปัญญาอย่างที่กล่าววันก่อนว่าปัญญาหมวดสคือญนะาณที่ไม่ติดขัดในการสยญาณหมวดสของพระองค์ก็คือญาณที่กำหนดกำเนิดสี่ นะกําเนิดสีเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าครเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นต้นเป็นยานที่กําหนดคติทั้งห้าและกรรมที่นําไปสู่คติหพระองค์มีอาสาธารณนยานอีกเจประการแล้วก็พระองค์อขอภยัยอาสาธารณนยาณ6ประการพระองค์ยังมียานที่แจ่มแจ้งในโพชงเจ็ดยานที่แจ่มแจ้งในอรยิยมรตมีองคปะยานที่แจ่มแจ้งในอนุปปภาวิหารสมาบัติ9 ทศพลายานสิเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธยานของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือแม้กระทั่งวิมุตติยานยานแห่งความหลุดยานที่หลุดพ้นหรือปัจเจกขณะยานที่พิจารณามรพิจารณาผลพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือพิจารณานิพพานโดยละเอียดละออกครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติยานทัศนะ อันนะั้นก็พุทธคุณบทว่าอนุตโรเนี่ยนะอนุตโรไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเสร็จแล้วก็กล่าวพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยพุทธคุณอย่างพิสดารเนี่ยนะก็ในบรรดาคนที่สรนเสริญพระพุทธคุณเนี่ยนะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระสารีบุตรสรนเสริญมากที่สุดกว้างขวางที่สุดจากพระสูตรต่างๆที่พระสูตรพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพุทธคุณแล้วเนี่ยนะบอกว่าฟังแล้วขนลุกเราว่างั้นะนะนะนะนะ ไม่ใช่มีสูตรเดียวเนียมีอีกหลายสูตรด้วยกันเช่นสัมปัสสะธนิยสูตรเป็นต้นแล้วก็ในปฏิสัมพิธามมรรคเนี่ยนะภาษารีบยบวุฒิก็กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางพิสดารและลึกซึ้งอย่างมากเพราะเหตุอันนะแล้วก็กล่าวแต่ว่าทั่วไปก็จะกล่าวว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ ปกติแล้วถ้าคนที่เจริญอิติปิโสเข้าใจหลักการเนี่ยจะต้องบอกว่าอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภควาโลกโลกวิทูอิติปิโสภควาสุกโตอิติปิโสภควาอนุตตโรอิติปิโสภควาปุริสธรรมสารถิเป็นต้นเขาจะต้องขยายทุกคําอย่างนี้ก็แปลว่า แปลตามหลักก็ต้องแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็คือแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอรหันตคุณทั้งหมดแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็แจกแจงรายละเอียดว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเนี่ยนะเช่นมีวิชาเพราะเหตุนี้มีจารณะเพราะเหตุนี้แบ่งเป็นหมวดสองสามสี่ห้าก็ขยายอย่างกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เชื่อว่าสุขโตไปดีแล้วแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็คือโดยเหตุโดยประการโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะอธิบายได้อย่างกว้างขวางว่าพระองค์นี้เสด็จไปดีแล้ว แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้หมายว่าเพราะเหตุนี้เพราะปัจจัยนี้เพราะความสามารถต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าพระโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเนีรู้โลกรู้แบบไหนรู้โดยประการใดๆแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอนุตตรโรไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งไปกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าน่ยนะเป็น ปุริสธรรมสารติผู้ฝึกบุรุษทั้งหลายโดยนิยะต่างๆแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระศาสดาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นก็เพราะเพราะเหตุนี้เหตุนี้หรือว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เพราะปัจจัยนี้หรือว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จำนแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเป็นต้น